เสด็จบุญทั้งหลายที่มารวมกันแล้วเพื่อจะได้ฟังทมต่อไปให้ฟังทมอยู่ในความสงบ ก, การฟังทมในความสงบนั้นคือทาจิตให้เป็นหนึ่งหูเรารับฟังสัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปในนี้ที่ทาจิตให้สงบ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 ได้กระจรู้ธรรมะในอาชนะที่นั่งนั้นกมีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำกรรมฐานที่มีมากที่อัตมาทิมาพักอยู่นี้คืนสองคืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สาคัญมากสถานที่ข้างนอก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 เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในที่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบายจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระงับวุบ่นวายสงสัยจึงมาณที่นี้มิฉะนี่นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอัตมานั้นอ่ให้ตั้งใจให้ดี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 บางทีมัอาจที่ไม่ค่อยสบายใจก็ได้ควรุนแรงหน่อยก็ดีนะมันถึงๆแตงอย่างนั้นมันหลับเฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่ลุกขึ้นมาทำาจิตใจเนี่ยการปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการการปลูกต้นไม้ ที่ได้รับผลนั้นบางทีเิดใปกินเร็วๆคือเอาทาบกินหมนเลยอันนี้ก็เรียกว่าอมันไม่ทนทาน อ, อีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมาเร็ดมันมาเพาะเดี๋ยวปลูกจากมาร็ดมันเลยอันนี้มีความเน้นหนาทาวรดีม า, จากจ้างความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอาตมาเองก็เป็นอย่างนี้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 แล้วก็มาเห็นญาติโยมต่างหลายที่นี่มันยุ่ง ม, มากคือต่างคนต่างฝึกมตาต่างคนต่าง ม, มีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกินแล้วก็มารวมธรรมนี่เกิด ค, ความสงสัยมากแลอาาอ้อาจารย์นั้นต้องทําอย่างนั้นอาจารย์นี่ต้องทําอย่างนี้ครูนั่นต้องทําอย่างนั้นนี่มานั่งเกียกันธรรมวุ่นไม่รู้ จ, จับวัจรอ่างไรไม่รู้จกัจกนึจกจับตัวอะไรมั น, นเลยวุ่น มันลายเกิดไปมากเกิดไปไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มันเป็นหนึ่งได้สงสัยตลอดเวลาดังนั้นพวกเราอย่าคิดให้มันมากคิดให้มันรู้จักอย่างนี้ไม่รู้ต้องทําให้จิตเราสงบสะกที่มันรู้ไม่ต้องคิดแต่ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี่เองมันจึงเป็นปัญญาไอ้คิดนั้นไม่ใช่ปัญญานะ ไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามยาให้คิดอยู่ในบ้านแล้วเิดคิดม า, มากแย่ไม่ใช่กะมันพ้นจากคิเนี่ยให้ดูอย่างนั้นคิดมา ก, มากแย่ก็ยิ่งน้ำตามมาไหลด้วยละเมอหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญา วิะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องหยุดคิดอย่างแจ็คที่มาคมีหยุดคิ ด, ค ด, คดนั่งให้สงบให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดเป็นสังขารพรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิด เวลเรามีความสนุกแล้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีควอมทางความคิดมีความทางปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้ายิตใจเราไม่สงกปัญญาไป ม, มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่งนะเช่นว่านั่งสมบจิตนี้เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะทํทาำจิตอันนี้อย่างมี้โยนฉะนั้นปล่อยจิตของเราให้มันพุ่งไปทางขวา ทางซ้ายทางหน้าทางหลังทางบนทางล่า ง, า ง, ง, า ง, างจะทําอะไรจะทำวันนี้จะทําจิตคืออ น, นาปาสติเนี่ยําหนดศีสาก ล, ลงไปแต่หาปลายเท้ากำหนดจะปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาสีสากกำหนดที่ศีสากลงไป ด, ด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก็แเน่ยก่อนนั่งกําหนดว่า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 แต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออสบายไม่กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดว่าหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยแต้ความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาบอกว่าหยุดหยุดไม่เอา มันจะเป็นอะไรมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีมันทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์ก็มากระทบกระทั่งรู้สึกอะไรได้ไปตนรู้สึกในจิตของเราดันปล่อยก่อนมันจะดีจะชั่วปราชันมันในเวลาไม่แม้แต่ตัวนาทีของเราจะไปจัดแจงในสิ่งต่างๆเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกำหนดลมเราดืวย ให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกแล้วให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์พอมันสั้นทุกข์พอมันยาวอยาให้มันทุกข์ก็ให้มันทุกข์รวมลมใหยใจอยากให้มีความกดดันคืออยากให้ยึดมั่นคือให้รู้เดี๋ให้ปล่อยตามสภาวะประมาณแาบนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวาง รวมหายใจแล้วก็จะเบาเบาไปผมจิตสุดรวมหายใจมันจะน้อยไปก็น้อยไปน้อยไปจนกว่ากา ร, า ร, ระทั่งลมปรากรว่ามันไม่เกี่ยวในเวลานั้นก่อนจิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเรื่อหมดแล้วมีเหลือควรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นดีกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้ว นี่พูดเรือการกระทําในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเรียวน่านี่พูดตรงนี้ถ้าว่าจิตใจมันพูดวายมากเราตั้งสติขึ้นสึนลงเอาไปมันมากตัวนี้มันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยให้มันให้มันหมดจนปวดที่มันไม่มีในนี้แล้วก็หายใจเข้ามาอีกสุดที่มันเต็มแล้วก็ปล่อยไปสามคลั้งตั้งจิต มาที่อี้ควมสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวายก็ไอทําอย่างนี้ทุกครั้งจเดินจ ง, รงกรมก็าตามจะนั่นสมาธิก็าตามถ้าเดินจงกรมมันพูดวายมากก็หยุดยิ่งกําหนด่งในตรงในที่สนุกตั้งใหม่แห้หจออวจิตของเจ้าของแล้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจ ง, รงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันตา่างแค่พิธีญาบุนั่งกับพิธญาบุเดินเท่านั้น บางที่จะสงสัยก็มีมากต้องต้องให้มีจิตมีผูรู้แล้วก็ใี้มีสติเป็นมันวุ่นวายกั็นขนาดใหญ่ไอ้ความเป็นจริงน่ะผู้รู้นั่นะสมมติว่ามันเป็นจิตไอ้ความรู้สึกตามผูรู้น่นติดตามอยู่เสมอาการนี่เรียกว่ามีสติสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ ใอ้ผู้รู้ที่มีอาการที่ตามาดูจิตของเรานั้นอยู่ในลักษณะอันไดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเราทุกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันคอยที่สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่ง ที่เอาโครงมันใส่ใส่ไว้ในโครงนั้นให้มันอยู่ในโครงมันเดียวกายที่อยู่ในโครงนั้นก็เรียกว่าวมันไม่ออกไปจากโครงแต่ ว, ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในโครงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในโครงไอ้ความรู้สึกของจิตนั้นที่เรามีส ต, ติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันใหุ้หนเาวุว่นวาย พ m h m h m h i, if, ึ <Sí. S 1> no. ่งแม่มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนกันเมื่อไม่มีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันเมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่ลำพานไม่มีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสําคัญก็คือตัวมันออกจากกลมไปเช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้ ดึงไปลงในใจนู้นไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวนู่สารพัดอย่างบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอะไราตามไม่ไม่รู้เรื่องที่ตัวสําคัญระวังให้ดีตัวนี้ตัวสําคัญมันออกจากตรงไปแล้วนี่มันออกจากความสงบแล้วต้องระวงังต้องมีสติเมารุ่อะไระพยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอ ไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนนี่ยคือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี้เท่านั้นเองไอ้มันอยู่ที่นี้มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่กบอะไรก็มีอยูที่นี่แต่สมมติว่าจะดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันจะไปที่ไหนเนี่มันความเปลี aki, ่ยนแปลงในที่จิตท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน่นมันไปความเป็นจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงเนี้ยเราก็มีคุณวิสติคึุบเข้ามาอะไรมันก็มาทันทีเลยมันไม <this> ่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิต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 อันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปทานยะสติคือมันระลึกได้สัมปทัญญะรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวกับขึ้นกับลงอย่างนี้อยู่ทําช่วยกันมีสติมีสัมปทัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างเนี้ยเรียกว่ามันจะเป็นเกิดท้ายแบบไอท้ทีคนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันห น, นักอยู่สองคนเนะนี่ยหนักจนจะทนไม่ไหวอย่างเนี้ย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 ในวันนี้เราคิดถึงเคลื่อนไม่ใช่ใช่โอหเลิกเลิกพรุ่งนี้เราจะไปที่โน้นเลิกไม่เอาอันนี้เราคิดถึงคนนั้ไม่ใช่เลิเอิกไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันเท่านั้นไม่เอายังมายุ่งด้อยไม่แน่นอนของไม่แน่นอนทำสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไม่แน่ไม่แน่ทำสมาธิอย่างนี้มันจะรู้ยังไม่แน่ไม่แน่ อาจารย์ฉันสอนมันไม่ต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลาที่อาจารย์นั่นไอ้พวกเส้นบอกอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ยาปุ๊บูุ๊บเลิกเลิกเลิกเลิกหมดหมดทุกอาจารย์อย่าเามาควในเวลานั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเดือแต่็ดเดดสติสมบัญิะกับปัญญาดวงดวถ้าหากว่ามันอ่อนเมื่อไรเป็นต้นมันก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอาจารย์นั่สอนอเฮ้ยอาจารย์นั่งสอนเฮ้ยที่นันเลิกเลิ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 เก็นครบในที่นั่นเด้อไอ้แต่ที่มันจอนมาข้างนอกนเรื่ออารมณ์นั่นเองเรบการไว ม, มันจะเราจะชอบใจก็ตามแลยว่าเรื่องไม่แน่ไม่ชอบใจก็ไม่แนมันเป็นอีวอนทั้งนั้นท่า น, นสิ่งทั้งหลายกวางทันเปลี่ยนให้เรืองเรีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นนี่ ให้พอใจอย่างนี้อันนี้พู้ทำการะทแล้วจบแค่นี้พอนนะอันนี้เครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยพี่จะต้องทําอย่างนี้นั่นนะเราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีที่เรีกว่าเมตตาธรรมให้เป็นผู้มีเมตตาเป็น ค, นคุณธรรมเช่นว่าเรากำจัดตัวรูปะ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 ขนาดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนคิดเดียวคิดอีกนะอยากจะให้เพื่อนก็อยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอารูเป็นเล็กให้จะเอาดูใหให้ผมแมเชื้อายทุ้คนจะคิดยากกำบากนะเอาไปเอาไปก็ะเรียยววะไม่ให้ดูเล็กให้เพื่อนดูกหน้อยนะเอารูปใหญ่แบบนี้ความเห็นแก่ตัวชนิดนี้อันหนึ่งแต่คนไม่ควรจะเห็น เคยมีเคยมีไหมนี่การทรมานจิตนะอมันอยากให้เขารูกเล็กๆมีสารบัรคับเขาลูกใหญ่เพื่อ น, นให้แลี้ยงผัวหายเพื่อให้หหลอลไรไปเลยสบายนะนี่ก็การทรมานจิตยอย่างนี้นต้องบงังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละที่เราเอาให้คนอื่นจะนอนสบายเราที่เรายังไม่ให้ใจดุไหนนอแล้วมัน ตัดตัดสิส่งบางให้รูปใหญ่ น, นี่เขาไม่้าใจไปนิด น, น่ยนะเนี่ยตกลงให้เขาแรงเลยมีเดียว่าทรมานกินในทางที่ถูกนี่ไรมาจากไหนนี่ได้มาจากอัตมาเอนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราทรํแลอย่างนี้นเดีเราจะนั่งตัวหินถ้าเราทำไม่ได้อย่นี้เดี๋ยวเราแพ้ตัวเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปคันนี้ก็เป็นหนเหมือนกันมีไหมในใจมีอย่างนั้นไมนี อันหนึ่งเป็นใต้เหยเียก ว, ว่าถ้าเราบอกอันนี้เรามีความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นเจดีย์อันห น, นึ่งเหมือนกันทางพระราชบการัให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่ช่วยช่วยให้สํำรับความสุขกระบอกในใจของเราได้แก่ตอนนี้เป็นคนจิตใจอย่างนี้เนี่ย ให้พิจาราอย่างนั้นอันนี้ประการหนึ่งควรให้มีในใจของเรานะไม่ใช่บางคนจะเห็นว่าอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวเองนี่ไม่ใช่เบียดเบียนตัวเบียดเบียนกิเลสต่างหากนะทำให้ตัวมันดีขึ้นมากิเลสมันหายไปบางคนจะกล่าวอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนเจ้าของเนี่ยอย่างนั huh. yes, the the in <speaking> ้นไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลสกิเลสมันมืนแมว ถ้าให้กินตามใจมันก็ยิบมาด้วยกินด้วยยิบด้านหนึ่งมันควนนะไปตรงไนอาหารนั่นเถอะทําให้ทีเ่เด็กกลัวเร า, าใหญ่ทำให้เรากัวกิเล น, นี่พูดจะเห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงนี้ก็รู้รได้ตรงคนเห็นทุกคนไม่ใช่อยู่ตาราดึกๆึกไปตรงประเด็นมั น, น ม, มาก พิจารณาเดียวนี้ก็เห็นที่อาจะมาพูดกับที่เด็กทุกคนเพราะมันมีในใจเด็กคนมันมีจิตเดทุกคนแต่มันถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมันมก็มีจิตเด็กทุกคนอย่างนี้นี่เราต้อง ก, การในเรียนจิวตว่าให้รู้จักจกิตใจมันมาควรเราอย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่ที่ยังไม่บังเกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วสี น, นี้จยางดูแลธรรมะอันนั้นให้เกิดขึ้นเหมือนพ่อแม่กับลูดมันน่าพูดไม่น้อยนะพูดมากมันทำมากม หนึ่งก็ให้เมตตาสัตว์มนุษย์ทั้งหมดไม่ให้เบียดเบียนตลอดถึงการฆ่าสองก็เรียกว่าให้มีความสื่อสัต์อยา่าไปข้ามสิจของกันแด่กันพูดง่ายๆคือไ ม, อมให้ขโมลของกันเองจริง <borrow> ที่สามตัวการเมื่คือให้รู้จักประมาณ ย่ามนั้นอยู่ในครวา่าแต่ต้องมีครอบครัวมีพ่อบ้านแม่บ้านแต่ถ้ารู้จักประมาณปฏิบัติธรรมากก็ให้รู้จักพ่อบ้านของเรารู้จักแม่บ้านของเราเท่านั้นให้รู้จักประมาณอย่าทาให้เกินประมาณให้รู้จักประมาณใี่มีขอบเขตแต่โดยมากคนอยากไม่มีขอบเขตใช่ไหม บางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสองเลยบางทีแม่แม่ว้านคนเดียวก็ไม่พอมีสามเรื่องแบบนี้อาจามาว่าคนเดียวก็กินไม่หมดแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่หมดเ่ยมีแม่ว่านก็เดียวไปหมดแล้วอาเรยจะมีสองคนสามค น, ม, คนมันเรื่องสุขบุตรทั้งนั้นเลยอย่างนี้ต้องพยาพยามชําระพยายามชำระให้มันรู้จักประมาณให้ความรู้จักประมาณนี่มันบริสุทธิ์ดี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 เกินขอบเขตแล้ววุ่นวายดูไ็ได้อย่างนี้ให้ความซื่อสัตว์สุดจริญนี้ก็เป็นเครื่องอกำจัด ก, กิเลสดาวคนณกาเป็นคนรงมีสื่อสัตว์เป็นคนที่ไม่ดื่มสุรานําเมาอย่างนี้มันก็รู้จะประมาณมให้เรื่อมันจะดี มันเมา ใ, ในครอบในครัวเราถูกไหมแ้เมาลูกเมาหลานเมาทรัพย์สมบัติหลายอย่างมันก็พอแล้ยยิ่งเอาเหล้ามากินเถอะพี่มันคงมืเท่านแรงอย่ากนั้นอันนี้บริษัทเราทำลายในดูดูตัวเราเองข้าหาดัวมันมากใครมีมากก็ยังเป็นข้อยเป่านะเป็นเป่ามันดอกเดี๋ยวพอโทษเลย่นะ <är. S 1> พูดถึความดีนะอยากจะให้ดีอยากจะให้รู้จัก มันต้องรู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เรามาทุกวันนี้มันอะไรมันปวดดันอยู่เพราะอะไรการกระทำเรานั้นมันปวดดันของเราทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วอันนี้เป็นเหตอันนี้ขอฝากไปครับถูกไหยนะลยิงดี ไม่อยากไม่อยากจะพูดหรอกแต่พระพุทธเจ้าบอกให้พูด อานนี้เป็นเป็นเครื่องอุปรกรณ์อย่ยายเราปฏิบัติสะ ด, ดูนะที่นี่เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วมีมความรักขันซึ่งสัตย์มีความสุขความเรอดร้อนไม่มีนะและเมื่อความรอดร้อนไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกั น, นในมีความสุขนในสังษานี่คืออยู่ในนิรนสวรรค์แล้วสบาย กินสบายนอนสบายสบายนั้นเนี่ยก็สุขสุขเกิดจากศีลที่การกระทํามาแล้วเพราอทําอย่างนี้ เ, น เ, นเป็นเหตุนแห่งนี่เกิดขึ้นมาระความชั่วเช่นนี้เป็นกวนอันหนึ่งเพื่อความดีนี้เกิดขึด้นมาดีถ้าเราชําระศีลอย่างนี้ความชั่วนี้ไปควสุขเกิดขึด้นที่เดีย เกิดพรการปฏิบัติดีปฏิบัติชอ บ, บ, บ, ชอบสุขี้ที่นี้ยังไม่จบแค่นี้นะคนเราจะมีความสุขเราชอบเถื่อนเมกันนะชอบเลยไม่อยากไปที่ไหนชอบติดสุขขึ้นนั่นแหละไม่อยากจะไปที่ไหนเลยชอบสุขมันเป็นสักกะขาเมืองสวรรค์ถ้าพูดตามบุปราอธิฐานเป็นเมืองสวรรค์ผู้ชายก็เป็นเทวบุตรผู้หญิงก็เป็นเทวดาสบาย ไม่รู้เมื่อรู้ตัวอย่างนี้อันนี้ทันตแพพิจารณาคือนึ่งวันอันนี้มันสอนอย่าไปรื้อมันพิจารณาอีกให้พิจารณาโทษของความสุขอีกให้ความสุกนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกันอ ม, มีความสุขแค่เมื่ อ, อไรเมื่อไรไอ้ความสุขจะเริศจากเรานี่เป็นของไม่แน่เหมือนกัน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 พิอิยความสุกนี่ก็ยังไม่ใช่เหมือนกันเป็นกีเลสอันหนึ่งเป็นีิเลสอย่างละเอียดที่คนทั้งหลายชอบันทุกคนชอบมีความสุขนี่ที่เราไปชอบมันดีเองแหละอะเมื่อหากเวลามันที่ไม่ชอบมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาอันนี้แต่ในกิจนาทับขบเข้าไปทิ้งว่าสุขเบี้ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันแต่โทษของความสุข เมื่อมันเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมัน ม, มีทุกเกิดนี่คือของไม่แน่เหมือนกันอย่าไปหวาดมั่ น, นอันนี้เรียกว่าอธิโนกถาอันี้มีความสุขพิจาราความสุขอีกที่หนึ่งจะปล่อยเฉยอย่างนั้นให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอนเมื่อเห็นของไม่แน่นอนเช่นนั้นเราก็ต้องไม่ขอไปเจับอย่างเดียวที่เรา ไม่ยึดอย่างเต็มที่มันคือยึดมาดูหวั่นไม่ใช่ยึดไม่หวั่นอย่างนี้เห็นความสุขอย่างนี้เป็นคนลครึ่งให้ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดีครึ่งหนึ่งเป็นส่วนชั่วถ้าเรารู้จักประมาณในความสุขนี่นะครับเห็นโทษมันเหมือนกันให้พิจารณาอย่างนี้นี่สุขกับพินาศสุขไปดีเป็นสัจธรราแล้วเห็นโทษของความสุขนี้อันนี้เป็นคุณสมบัติ ของคู่บุคคลปฏิบัติไม่ถูกทางอันนี้ก็ําไปอันนี้เรื่องกรมกะถาแล้วก็จิตใจควาต้องขอเืออะไรเือรูปก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็เป็นอย่างนั้นกลิ่นก็เป็นอย่างนั้นรสก็เป็นอย่างนั้นความรักก็เป็นความนั้นความเกลียดก็เป็นอย่างนั้นเบื่อไม่อยากไปยึดไม่ไม่อยากไปยึดมั่นหรือมั่นแล้วบอกจากอุกทานนั้น ไมาดูอยู่ตรงนี้ให้สบายมองโดยเฉยๆไม่ต้องไปยึดมาถึงว่านั่นก็ายถึงความสงบของการปฏิวัติในขณะวันนี้ก็หกกหหให้โยมของการรู้จักปีเตอร์นาก็ให้ให้อภัยเลยนะวันนี้พูดมากเลยได้ แ, แต่วันนี้นะพูดมากเพราะว่ารักโดยธรรมะ